เทศอบรมพระวันที่26ธันวาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เทศสมนานันจทัศนังย่างถึงที่สุดทางภายในใจของผู้ปฏิบัติปลุกใจดี ในมงคลล่สูตเป็นว่าไว้ว่าสมนานันจะดัสมะนันจะดัชฉ น, นังยิตั้มังกระมุตั้มังการหินสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุด นั่นท่านพูดหรือท่านสอนทั่วๆไปหมายถึงสมณะจะเปรนเพศนักบวชผู้สังร ว, วมระวังตนเกี่ยวข้องกับโทษกับบุญคือบุญและบาปเป็นผู้ระมั่นระวัง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 คือกายวาจาใจนี่แหละเป็นสมณะอุตมเห็นสมณะเหล่านี้ว่าเป็นมงคลสูงสุดากาวอย่างนั้นก็แสดงว่าสมณะมีหลายประเภทแต่ไม่พูดไปให้เสียเวลาลวพูดเฉพาะเรื่องสมณะ ธรรมที่ยังผู้ที่โลกเขาสมมติว่าเป็นสมณะนั้นคือธรรมเช่นไรในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามีสี่ประเภทธรรม ท, ที่สมณะผู้ปฏิบัติต้นดึกความสะอาดทางกายวาจาใจจะพึงได้รับ ในแัศโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลนะนี่เป็นสมณะที่หนึ่งสกิทาคามักสกิทาคาผลนี่เป็นสมณะที่สองอนาคามีมกักอนาคามีผลนี่เป็นสมณะที่สามและอรหัตมักอรหัตผลอัน เป็นสมณะที่สี่สุดยอดแห่งสมณะคือทาเป็นเครื่องยังผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพึงได้รับมีสีประเภทนี้ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปถึงสมณะที่สุดเรียกว่าเป็นผู้มีสมณะ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 ทั้งสี่จะพึงเป็นผู้มีความะระมัดระวังสิ่งที่จะแทรกเข้ามาอันไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นโดยการต้านทานการสำรวงระวังอยู่เสมอไม่ได้เลือกทิิยาบทใดเว้นแต่หลับที่สุขยิสัยเสียเท่านั้นดังนั้นเป็น กิิยาท่าทางที่ระมัดระวังและส่งเสริมคุณธรรมนี้ขึ้นในตัวด้วยการปฏิบัติทางด้านจิตตภวนาสมณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้ครองหรือใจเป็นภาชนะสมณะทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้น อย่างอื่นไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้และไม่เป็นผู้ควรแกท่ทาเหล่านี้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวนี้ใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเวลานี้กําลังเต็มไปด้วยของสกรปรกโสมันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายของนักปราท่าน มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ปุถุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนาในบรรดาของโสโปรกเหล่านี้ที่ให้นามว่ากิเลสประเภทต่างๆนับแต่ความโกรธโกรธหลงราคาตัมหาอันเป็นกิเลสสาคัญสาคัญไม่นอกเหนือไปจากที่นี่เลยเพราะฉะนั้น ใจจึงเป็นภาชนะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนทำทั้งหลายในการที่จะบรรจุทำสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เข้าสู่ใจจึงต้องชำระซักฟอกนื้นล้างผิดใจกายวาจาของตนซึ่งเป็นเครื่องมือให้สะอาดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสะอาดสูงสุดก็ได้แก่สมณะที่สี่ เมื่อจิตสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นชำนาญที่สี่ขึ้นมาสะอาดเพียงขั้นหนึ่งก็เป็นชำนาที่หนึ่งสะอาดไปโดยลําดับก็เป็นชำนาที่สองที่สามขึ้นมาด้วยการระมัดระวังไม่ให้จิตจายแสะไปสู่จิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วพยายาม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 ที่เราประกอบความภาค เ, เพียรเัว่อชำระสะสารสิ่ง น, นี้ถ้าจะหาแต่เวลาเลยแล้วก็ไม่ทันกับสิ่งที่ไม่มีเวลาที่ติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี้จะแพ้สิ่งเหล่านี้เรื่อยไปฉะนั้นความเพียรมีเท่าไหร่สติกำลังหรือสติปัญญามีมากน้อยเพียงไหน่ต้องทุ่มเทกันลงทางความเพียร เพื่อจะกําจัดปัดเตาสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้หรือชะล้างสิ่งที่สกโผลกเหล่านี้ให้ค่อยจางและหมดไปเดินดับจากใจเพื่อใจจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ ร, รมขั้นนั้นๆต่อไปเนี่ยหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรม าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเครื่องมือถ้าพูดฝ่ายเหตุเป็นเครื่องพุดค้นให้ได้นิพพุธมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจหรือเครื่องมือชะล้าง สิ่งที่สกกระปกทั้งหลายส่วนผลก็คือความสงบถุกไปโดยลำดับที่เกิดขึ้นจากการทำละพระเราจึงไม่มีงานอันใดที่จะยิ่งไปกว่างานํำละกิเลสประเภทต่างๆในเอียบทนั้นตลอดไปถือเป็นกิจลักษณะเช่นนี้ ผู้จะแก้กิเลสปราปรามกิเลสให้หมดไปจากใจอย่าหาเวล่ำเวลาอย่าคิดในแง่ที่เป็นความส่งเสริมของกิเลสที่ตนไม่รู้สึกตัวให้ใช้สติปัญญาระมัดระวังความคิดอยู่เสมอว่าความคิดในแง่นี้เป็นไปเพื่อมักเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อกิเลสสมุทยัยเพื่ระมัดระวัง ความยากความลำบากเป็นเรื่องของโลกที่เขาพูดกันในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นในรสถถ่าที่เขาไม่เคยสัมผัสเช่นการปฏิบัติธรรมแต่ ง, งานทางโลกที่เขาชอบอกชอบใจนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นความลำบากลำคานอายุจะสิ้นเปลืองไปมากน้อยเพราะ สิ่งที่ชอบใจเดินตามหรือพลอยตามสิ่งที่ชอบใจนั้นเขาไม่สนใจแต่พอย้อนเข้ามาสู่อัตสุธรรมคือคุณงามความดีที่จะทำตนให้ดีให้เกิดความสุึกความพเพลินนี่เหลือจะต้องเข้ามากระสิบหรือบอกสอนทันทีว่าเป็นความยากความลำบากเกี่ยวกับไป อังสังขารร่างกายวัยนั่นวัยนี้เข้าลุกลามไปถึงหน้าที่การ ง, งานที่ต้องจัดต้องทำมันเป็นอุบายวิธีของกิเลสที่จะกั้นกลางหรือปิดทางไว้ไม่ให้ดําเนินเพื่อความดีส่วนมากจึงต้องยอมจำหนดโดยไม่รู้สึกตัวว่าอุบายเหล่านี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเชื่อสมสอนมนุษย์ผู้มีกิเลส อ, อยู่แล้ว นั้นให้ออกหรือเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ที่จะออกจากกรงขังเสมอไปนี่นหละหลักใหญ่มีเรามาบวชเป็นพระแล้วนิสัยนั้นก็ยังฝังอยู่ภายในใจพอคิดถึงเรื่องจะประกอบความภาคเพียรเพื่อมักคผลนิพพานและในขณะเดียวกันจะคิดถึงเรื่องความลำบากลำบถ อายุสังขารหน้าที่การงานอำนาจวาสนาความเสียดายโลกเสียดายสงสารซึ่งเต็มไปด้วยป่าช้านี้ว่าเป็นของดีไปเสียหมดสุดท้ายก็ตายกองกันอยู่ในของดีที่ชอบนี่แหละแต่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาทําไมว่าเป็นของดีแต่ไมัไม่ปรารถนายิามนานดูสิพ่นไปไม่ได้ โดยเหตุนี้ผู้จะผ่านพ้นหลุมนรกที่มันแผดเผาอยู่ภาณจิตใจทุดดอนร้อนนี้ออกไปได้จึ่งมีน้อยนักน้อยหนาเพราะสู้อุบายของกิเลสเสี่ยมสอนและฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องยอมจำนนไปเลยเลยนี่เราก้าวเข้ามาสู่ วงแห่งศาสนาธรรมด้วยความเป็นนักบวชเรียยวกัเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องบรรดาเครื่องสนับสนุนเช่นปัจจัยสี่อีวอนก็เต็มไปหมดเราไม่เคยบกพรองขาดเคืองเครื่องนุ่งเครื่องหง่มบิณฑบาตอาหารการบริโภคอย่างน้อยก็พอมีชีวิต จังอาถาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อได้บำเพ็ญสานาธรรมด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่านั้นก็เหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยยิ่งรูหรามากมีกว่าคารวะาเขาเสียอีกกูถึงยาแก้โรคแก้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เต็มไปแล้วอยู่ในโรคในองศาลเขาให้มาอยู่เสมอ เก็บไข้ได้ป่วยวิ่งไปหาหมอหม อ, อรักษาเต็มความสามารถเฉพาะวัดต่อวัณถักษ์ก็ไม่มีใครเอาเงินค่าอยู่ค่าย า, ยาเลยรักษาให้อย่างฟรีๆด้วยน้ำใจที่ศรัทธาของชาวุธของชาวพูดผู้มีความเริ่มใสต่อพระและต่อศาสนาอยู่แล้วนั่นมีความลำบากที่ตรงไหนตะกูถึงเรื่องเครื่องสนับสนุน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 ความภาคเพียรในทุกแง่ทุกมุมอีกนอกการในความอดความทนความบึกบืนต่อสู้ไปโดยลำดับในอีกการงานที่เห็นมากชอบทำเฉพาะอย่างยิ่งการชำระศาสาร์สที่สู้อย่างไม่ถอยสติมีอยู่กับตัวระลึกได้อยู่เสมอเมื่อเรา พอใจที่จะลูสติเป็นสติอยู่ได้ตลอดเวลาปัญญาเมื่อพยายามคิดค้นขึ้นดูเสมอปัญญาจะนอนตัวอยู่ได้อย่างไรต้องปรากฏขึ้นเป็นปัญญาได้ไปลำหนักลำหนับแล้วกว้างขวางละเอียดแหลมคมจงสามารถรู้ไปได้ตลอดตัวถึงได้ไม่อับจนถ้านำมาใช้นี่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 ใหเหมือนโลกที่ต้องมีหน้าที่นั้นงานนี้ยุ่งไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนระทั่งหลับไม่มีเวลาว่างเลยหิงตึดขวัญขวายทั้งกีดนอกการไหนการไหนแต่พระเรามีตั้งแต่ล่วงะพื่ปฏิบัติตนเพื่อชนะสะสางหรือปราบตามพิรลศให้มันหมดซาไปจากใจนี่เท่านั้นเราทำไมจะทำไม่ได้เราอย่ามองมรรคผลนิพพาน ให้เลยจากความเพียรของเราไปความเพียร น, นั้นแหลคือทางเดินเพื่อมรกปุนิพานหรือต้นเหตุที่จะให้บรรลุถึงมรกปุนิพานนับตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองขึ้นไปจป็นกระทั่งถึงสมณะสุดท้ายได้เกอรอรหัตผลธรรมพระเจ้าแสดงไว้อย่างเปิดเผยเรา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 เวลาเลาไม่ได้สำคัญเพราะถึงนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลส จ, จริงๆมันอยู่ที่ใจดูที่ใจนี้อย่าดูที่อื่นงานก็คืองานของใจนี้เป็นสำคัญงานแก้กิเลสภายในใจทั้งพุทธการงานไม่ได้มากมายอะไรเลยมีแต่งานเพื่อชาระกิเลส มากยิ่งกว่างานอื่นใดงานนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆของพระข่างพุทธกาลเราจะเห็นได้จากตำหลับตำลาที่ท่านเขียนไว้เป็นคติเพื่อให้พวกเราได้ยึดเป็นทางดำเดนินตามท่านมีอยู่ทั่วๆวไปหมายว่าพระพุทธเจ้า เสด็จออกทรงพนวดว่าการบําเพ็ญไม่เห็นมีงานอันใดเขาไปแทรกแซงพระองค์เลยในหลานหกปีนั้นมีแต่งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับลำดับเติกระทั่งได้ตรัสรู้เต็มพระไถยนำทมที่เด็รู้แจ้งทรงรู้แจ้งถจริงแล้วนั้นมาสั่งสอนทั่วโลกปฐมสาวก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 เมื่อได้สดับตรับฟังจากพระอาวาทของพระพุทธิจ้าที่ทรงสแสดงธรรมจากกัปปวัฒนาสูตรและอรณรตรนลัคณสูตรเท่านั้นก็บรรลุสมณาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นลำดับไปในไม่ช้าเพราะท่านพร้อมอยู่แล้วชาวกองค์เหล่านั้นเมื่อได้สนดับ เพราะว่าจากพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความลมใสไปบำเพ็ญตนก็คือไปทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างในอียบทต่างๆไม่ลดละในทางความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นเครื่องวิจารเพื่อให้รู้แจ้ง เห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนท่านก็ต่อสู้กับกิเลสอยู่อย่างนั้นสถานที่อยู่ในครั้งพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือลูกขมูลตามร่มไม้ชายเขาตามธรรมเงื่อนผา อันเป็นสถานที่สังเกปราศ จ, จากความทูกพานด้วยสิ่งต่างๆในดยบำเพ็ญสมรรถธรรมคือทำงานเพื่อหรือถอนเหตออกจากใจด้วยความสะดวกสบายหายกังวลในทุกแง่ทุกมุมแต่ละองค์ท่านเต็มอกเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพื่อเพื่อทำเว้องล้วนไม่มีคำว่าโลกาภิตรแฝงอยู่เลย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 มาโดยลําดับเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาสําหรับผู้ต้องการจะรื้อถอนตนออกจากทุกตามแนวทางแห่งศาสตสาและภาษาบกท่านดาเนินมาแล้วและสอนไว้แล้วองค์ไหนก็เป็นอย่างนั้นองค์นั้นบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั้น ในถ้ำมังเงื้อมผามังร่วมไม้ชายเขามัง่งซึ่งวันแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่วิเวกจาเริ่เหมาะสมแก่การบําเพ็ญมาตลอดไอตลอดท่านไม่สนใจใยดีกับจิิงใดเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วประการหนึง่งเห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็มหูเต็มตา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 ที่การงานทัพประมดเงินทองครอบครัวลูกหลานญาติมิตรไม่ยุง่งไม่เกี่ยวมีแต่มุม่งหน้าประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความลุพ้นโดยถ่ยเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็พ้นความภาคเพียนความพยายามพยายามของท่านไปไม่ได้ึ่งองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในป่านั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ใน ถ้ำนั้นเมื่อผานั้นนั่นแหละจมณนะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือบรรลุเป็นลำดับลาดั บ, ดบเกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียนตามแนวของศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วและดำเนินให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แนวของศาสดาและสาวกที่ดำเนินมานั้น ไม่ได้จืดจางหางเหินไปหเหินหไม่ได้จืดจางเหินห่นหางไปจากไหนจากทำที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้และไม่ได้เหินหางไปจากตัวของเราที่ท่านแสดงไว้ทั้งหมดแสดงเรื่องของท่านเรื่องของท่านกับเรื่องของเราเป็นเหมือนกัน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 ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอกจากผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมนั้นเองจะเป็นเจ้าของแต่ละลายละลายไปทำทั้งสี่ประเภทคือชั้นหาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดถ้าไม่ใช้วิธีการขิตตาภาวนา เต็มเปดวความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียเรเมไปด้วยสติปัญญาของนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะสามารถบุกเบิกเพื่อทําเหล่านี้ได้เลยเพราะนั้นจึงให้มั่นใจในธทำที่กล้าเหล่านี้นําเข้ามาประชิกติดกับใจของเราอย่าให้เหินห่างไปไหนก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามยาบทต่งตาง มีสติเป็นเครื่องรักษาจิตปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองอยู่เสมอชื่อว่าผู้นั้นมีความเพียรอยู่ทุกๆอาการที่มีสติปัญญาเครื่องรักษาไม่ว่าเอียบทใดมีคือความเพียรแท้อยู่ตรงนี้ความลำบากเห็นว่าลำบากลําบนเป็นทุกข์ทรมานในการประกอบความเพียร ควาเห็นว่าอำนาจวัฒนาน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่เป็นความเห็นของกิเลสซึ่งเป็นค่าศึกต่อธรรมจะกชุนลากเราให้ห่างเหินให้ห่างเหินจากธรรมเท่านั้นให้พึงระวังเสมอสิ่งเหล่านี้จะกระซิบอยู่เรื่อยเพราะเป็นกิเลสจะชุนลาศให้เหินห่างจากอัจฉริธรรมจากมาผลนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิง่งจากสมณะทั้งสี่นั่นแหละที่เราต้องกา นงัมงมกนัสสูตรท่านแสดงไม่แสดงมาที่ไหนถ้าไม่มาที่หวัวใจของคนให้เราเห็นตัวเองดีกว่าเราไปเห็นสมณะที่ทันสมบูตกายวาจาใจภายนอกนั้นนั้นเป็นพื้นฐานหรือเป็นสื่อเป็นทางที่จะให้เกิดสมณะภายในอันจริงจังแท้ก็คือ เอาให้เห็นสมณะภายในจนถึงขั้นสมณะที่สี่โดยสมบูรณ์ภายในใจนั้นแหละจะเป็นที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบรรดาศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะมมีปัญหาอันใดทั้งสิ้นสะสอนไว้แล้วโดยถูกต้องดังที่วัดสวากขาโตพระวตาธรรมศาสไว้แล้วโดยชอบนะจำด พระองค์จัดว่าจะไม่ชอบความรู้ความเห็นของเราต่างหากที่มันไม่ชอบการประพฤติการกระทําการแสดงออกทางกายวาจาใจของเราต่างหากที่เป็นมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบแล้วมันก็เป็นฆ่าศึกต่อธรรมมันกลายเป็นฝ่ายที่เดชไปเสียมหนูเป็นฆ่าศึกต่อธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการ ท, ราทําลายธรรมในตัวเราต้องระมัดระวังให้ดี เราอยากเห็นเพื่อนฝูงที่มารับการอบอรมกับเราและรับภาระในการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่ก็เป็นเวลานานสามสิบกว่าปีเชแล้วแหละก็พยายามที่สุดเต็มทีดกำลังความสามารถไม่ให้มีจิตใจได้เหินห่างจาก ปัญดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอบรมมามารับการอบรมสั่งสอนนี่เลยเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบนนเองในกิิยาแห่งการแสดงออกของผมสอดสองมองดูกิิยาความเคลื่อนไหวผิดถูกประการใดในฐานะเราเป็นอาจารย์ตลอดถึงการให้อุวาดแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ตน้นจนสุดความสามารถที่จะสั่งสอนได้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 ใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลมากน้อยเพียงนั้นและมีปัญญาพินิพเจนาในสภาวธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในตามแต่จริตนิสัยของใครจะหนัก็นทางใดถนัดในแง่ใดแห่งการพิจารณาจนมีความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลําดับลาดับเพราะอํานาจของปัญญา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 ที่อธิบายมานั้นแน่ใจร้อยเปเซ็นว่าจะไม่ออกนอกลูกนอกทางนอกจากจะเข้าสู่จุดที่หมายอันเป็นที่พึงด้อย่างยิ่งนั้นเท่านั้นแต่เรื่องมานั่นสิสำคัญมันอยู่รอบด้านรอบหัวใจคอยแต่จะถุดจะลากความคิดความเห็นให้ไปนอกลูกนอกทาง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 แล้วเมื่อเป็นชนี้ก็เรียกว่ามีแต่แตเรื่องของกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้ต้องหาเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเมื่อเหตุก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยเสียโดยชิ้นเชิงต่ทั้งที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความภาคเปลี่ยนเรื่องสมุทัยก็คือความลืมตัวไม่มีสติประครับประคอง จ, จิตใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทางความคิด ความปรุงต่างๆซึ่งเคยเป็นมาอยู่แล้วอันเป็นเรื่องของยิเดียร์ล้ลวนๆอยู่แล้วด้วยเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไหนเรื่องมักจะเดินหน้าที่ไหนสติมีเมื่อไรก็ชื่อว่ามีมากปัญญาออกพินิจพิจารณาในแง่ใดามากน้อยกว้างแคบหรือระยะสัญญ้นยาวเพียงไหนก็ชื่อว่ามากมากนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะยังผล พึงใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้มากให้ระวังมานั้นมันพิเรสมานนั้นะ่ะตัวสําคัญมันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างแม่้เราเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยแต่การแสดงออกมีแต่เรื่องของมันเท่านั้นยากที่จะทราบในขั้นเริ่มแรกจึงต้องใช้ความบึกบึนใช้ความอดความทนเต็มที่ อย่างน้อยก็ปรากฏเป็นความ ส, สุขขึ้นมานั่นแหละพอมีทางจะเดินความสงบเป็นพื้นฐานเหมือนกับมีต้นทุนแล้วพยายามพิจารณาทางด้านปัญญาอา้าวจะพ้ออย่างยิ่งถือร่างกายเป็นสนามรบเพราะอุปทานขันที่ทันว่านั้นมันยึดมั่นอะไรขันก็แปลว่ากองกองก็คือกองทุก อะไรมันมันเป็นกองความสุขในขันนี้เคยมีไหมมันมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี่ก็กองทุกเวทนาส่วนมากในร่างกายมีแต่กองทุกมีแต่เวทนานเป็นทุกในสุขในร่างกายให้เราเห็นชัดๆมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความทุกข์สังขารกุงเพื่อให้เกิดความทุกข์ สัญญาก็หมายเพื่อให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสเป็นอลำดับไปวิญญาณรับทราบอะไรมันก็เป็นไปเพื่อกองทุกข์เมือ่อทั้งมวลแห่งขันหานี้มันเต็มไปได้วยความทุกข์เราทําไมจะพิจารณาเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในขันนี้ไม่ได้ด้วยปัญญาของเราเล่าถ้าเราจะพิจารณาขันยาบนี้เป็นของสําคัญรูปปัจขัแยกแยะออก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 ทำไมจะไม่เห็นทําไมจะไม่รู้ถ้ามีสติ บ, บังคับบัญชาให้ปัญญาทําหน้าที่จริงๆสืบต่อกันไปเดิมดับในการพิจารณาไม่ขาดวักขาดตอนต้องเข้าใจวันหนึ่งจนได้ทุ ก, ก็ยอมรับว่าทุกเพราะต่อสู้กับกิเลสไม่ทุกได้อย่างไรเขารบกันเขาก็ทุกอันนี้เรารลิกับกิเลสฝ่ายต่ํำเราทําเป็นเครื่องมือฝ่ายต่ ำ, ำ, ตำมันก็ต้องทุก แต่ผลที่จะพึงได้รับก็คือความสงบเย็นใจหรือชัยชนะโดยลำดับลำดับหากเราไม่ขมักขม้นปล่อยให้จืดจางๆไปเหมือนคนสิ้นถ่าเหมือนคนไม่มีสติสตังเลยอย่างนี้เท่าไรก็เท่านั้นเนี่ยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความสุขไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็ ถูกถมันลากไปเหมือนกับของตายแล้วไม่มีปฏิิยาต่อสู้ต้านทานกันบ้างเลยอันนี้สำคัญมากจงพากันระวังมีพยายามให้ความสะดวกแก่หมูแก่เพื่อนในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเพราะไม่เห็นสินได้มีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้เราจึงต้องสงวนมากเราเป็นผู้รักษาเองเป็นผู้ให้ความสะดวกแก่ พระทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้เสียเองไม่มีเรื่องราวอีกการงานอันใดที่จะเป็นข้าสึกต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามายุ่งเหยิงมึนไหม่นอกจากมีความจําเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็ได้กาหนดเอาไว้ในความจําเป็นนั้นให้อยู่เพียงแค่นั้นหมดนั้นแล้วให้ยุติและพยายามอย่างนี้เสมอเพื่อให้ ทั้งหลายเดี๋ยวพราิปฏิบัติเพื่อความสะดวกสบายอันจ้เห็นความจริงในจิตนี่เอเ้นเนี่ยตัวสําคัญเวลานี้จิตเมตตั้งแต่กิเลสลุมน้องหาความสงบเย็นใจไม่ได้จึงหาความแปลกประหลาดอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงที่แปลกประหลาดที่สุดและอัศจรรย์ที่สุดนี้ฉะนั้นจงพยายามชําระสติเป็นสําคัญอย่าได้ลืม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 ถ้าลงได้ตั้งข้อบังคับคิดไม่ให้มันคิดมันฟุงฟ้งไปไหนด้วยสติเป็นเครื่องกำกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายสละกันลงในเวลานั้นด้วยสติไม่ให้ขาดไม่าขาดตอนมันจะผ่าผลขนาดไหนกิมันก็เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่ได้ด้วยสมถะภาวนาก็ได้ด้วยปัญญาภาวนา กืตีต้อนด้วยปัญญาเอาเป็นมอบเห็นประจักษ์กับใจได้ชติกับปัญญาจึงเป็นของสำคัญยิ่งเข้าในูที่จนกรอบจนมุมด้วยแล้วนั้นแหละเราจะเห็นคุณค่าของกติเพราะเราเคยเจอมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หด เราเป็นผู้สาะเราเป็นผู้สแสวงเราเป็นผู้ประกอบความเพียรเองเราเป็นผู้ต่อสู้เองแล้วเราก็ไปเจอความจนตกาะเป็นมุมของเราเองคําว่าจนกรอกป็นมุมก็คือระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละอไปปะทะกันมือปะทะแล้วสัตว์ราวุธ์ของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสให้ราบไม่ให้กิเลสปราบเราอย่างราบเราต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดความทน เป็นเครื่องหมุนสติปัญญาเข้าไปสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหมุนติว้วติ้วเข้าไปที่มันเด่นชัดในการปฏิบัติที่จะดำเนินมาเต็มทติกำลังความสามารถของตนก็คือทุกขเวทนานเอาเวลานั้นแหละจนเกราะทุกจริงจริงทุกจนร่างกายทั้งร่า ง, างนี้เป็นกองเทิมไปเลย แต่ก็ทนสติปัญญาติขุดค้นอยู่ในเวลานั้นไม่ยอมให้ออกจากจุดนี้เลยไปได้สุดท้ายก็รู้รู้แจ้งจริงๆชัดจริงจริ ง, รงในเรื่องทุกขเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างเวทนากับจิตรู้กันได้ชัดเจนจนกระทั่งมันพากออกจากกันต่างอันต่างกัน อย่างเห็นได้ชัดเพราะอำนาจของกติปัญญาที่ฝุดค้นลงในเวลาจนกรอกเป็นมุมเป็นอัตนาอัตนาอิทธนุนาโถขึ้นมาตนช่วยตัวเองคือเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ช่วยตัวตัวเองในเวลาจนกรอกเป็นมุมเห็นเด่นความอัศจรรย์ก็ได้ในเวลาเช่นนั้นเนี่ยเวลาจนกรอก พอผ่านจากความจนกรอกไปได้ความอัศจรรย์เป็นชาชนะอันขึ้นมาีเห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เห็นจะแล้วเมื่อได้เห็นธรรมะอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจนกรอกจนมุมเนั้นแล้ววาละต่อไปมันจะถอยได้อย่างไรหลักฐานพยานเห็นอยู่แล้วอย่างชัดชัดถอยไม่ได้ยิ่งเข้มแข็งจิตใจยิ่งเหมือนกับเพชรทีเดียว ถอยไม่ได้มันก็หมุนเตี้วลงไปมันก็รู้อีกยิ่งแต่กระจายไปกว้างขวางไปเรื่อยๆทำนี้ทำนานเข้าไปเลยนี่ความจนกรอกจนมุมของผู้เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยแล้วต้องเจอความยิงอันตระเริฐขึ้นมาจนได้ ประกอบความภาคเพียรทั้งหลายเป็นภูบาลอาจารย์ที่เคยผู้ปรากฏชื่อดูนานามมีคนเคารพนับถือมากมากมันเราได้เคยสนทนาปาษายกับท่านมาหลายหลายองค์มีลักษณะเหมือนๆกันกนี่เลยถึงเวลาจนกรอบเป็นมุมก็ก่อนที่เราไม่ได้เคยสนทนากับท่านก็เหมือนกับคนในโลกนี้มีคนทุกคนละหมากคนจป็นกรอบเป็นมุมแต่เราคนเดียว แตเวลาได้สนทนากับครูอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งไม่ใช่ว่าเล่าเป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นนักรบเนี่ยต้องเจอต้องปะทะกับข้าศึกจนไดน้เมื่อปะทะข้าศึกแล้วก็ถนมากถุนคือชายชนะเป็นของท่านเช่นเดียวกับชายชนะเป็นของเราที่ได้เห็นประจักษ์ใจมาโดยมนเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือหลักใจ แม่เหล็กอันสำคัญที่จะดึงดูดความเพียงตั้งหลายให้หมุนติ้วที่คือผลที่เห็นนั่นด้วปรากฏในใจเวละนั้นนั่นแหละพลังของใจไม่ทราบมาจากไห น, ไ ม, น, นมันเป็นทั้งมาเองสุดท้ายก็คาว่าแพ้นี่มีไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นกลับรู้หรือผ่านพ้นไปได้ที่จะถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆเรียกว่ า, หวาเหตุ ด, ด็ดขาดถ้าถอยไม่ได้ นอกจากให้พุ่งทะลุเลยนั่นเราเคยคิดไว้เมื่ อ, อไหร่อย่างนี้เราไม่เคยคิดไว้เลยแต่ถึงเวลามันเป็นมันเป็นให้เห็นอย่างชัดชัดแบบนักต่อสู้ เ, ออเห็นด้อย่างชัดชัดแล้วก็เพิ่มพลังของกิจเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอาจาราศรัรทธาในผลที่ตนไดนะ้รับมากขึ้นมากขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรไม่ต้องบอกมาเองความอดก็เอาอจนตายสู้จนตาย แต่สติปัญญาทำการบูเบิกไม่ยอมถอยมันมีอะไรเหลือดูภายในใจแล้วจะลบกับอะไรที่นี่น ส, สรุปความเมแล้วมันก็มีแต่กับกิเลสเท่านั้นเอาเป็นเอาตายก็สู้แทบมจะมียมหายใจจะไม่เหลือแทบจะทิ้งร่างกายไว้ใน ฐานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นขา้สุดเป็นตัวสำคัญรบก็บรกับกิเลสนี้เมื่อชนะกบชนะกับกิเลสนี้เราเห็นชนะกับอะไรจากนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่เห็นที่ท่านพูดว่ารู้จิตังครมัจจริย งานได้เสร็จสิ้นลงไปแลอาทีนี้ไม่ได้ทําอีกเลยงานแก้กิเลสเมื่อแกให้หมดปราบให้เรียบไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วปราบอะไรอีกเหลือแต่ความบริสุขล้นล้นภายในจิตใจรู้ประจักษ์อยู่กับตัวเองจะพูดได้หรือไม่พูดได้ก็ต่างความรู้ปราศไม่ปราศจากเด่นชัดแยกมาเป็นสมมุติมันเป็นอีกแง่หนึง่ง พูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นชัดไ ด, ด, ด, ด, ดายอย่างที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่ภายในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้หนึ่งข้าสึกอันใหญ่ระหว่างที่เหล็กกับธามต่อสู้กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจากนั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเผาศพที่เหล็กเผาอยู่ทุกแห่งทุกหนเลยทีเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา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 แล้วหลอดสายไปเลยเคยเห็นมาชีวิตจเหนือนอกเหนือทําไปได้ทํำไมไมันจึงเป็นอย่างนั้นงแต่ก่อนเราไม่เคยเต้นก็เพราะทำเหนือกว่าชีวิตนันเองหเห็นอย่างแท้ๆอยู่ภายในใจไม่เทิดทําจะเทิดอะไรเนี่ยขอให้พักจริงจังอยา่ารอแหละทําอะไรฝึกหัดนิสัยตนเองให้ทํา ด้วยความจริงจังมีเจตนาเป็นไปด้วยกับความรู้สึกอย่าจับแต่ว่าทําเคยตอนนี้สายด้วยแล้วหาสติปัญญาไม่ได้ตลอดปันตายไปด้วยนะมันจะธรรมดาต้องเฟิกเอาให้จริงจังมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ก่อปวยไปด้วยเหร อ, อพวกเราทั้งหลายจริงจะไม่มีหวัง เพราะว่าทั้งหมดก็คือเครื่องมือบุกเบิกเครื่องมัผลนิพพานนั่นเองสอนก็สอนมาหาพวกเราผู้มีส่วนที่จะได้รับอยู่แล้งนี้ด้วยการปฏิบัติของเราเอาให้กินให้จังมันฉะนั้นจะตายปเปล่าๆนะนัก บ, บวชตายปเปล่าๆนี่มันร้ายเร็วยิ่งกว่าโลกเขาตายปเปล่า จำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ตายเปล่าให้ตายเต็มไปด้วยลวดลายของนักรบของนักบวชที่เป็นศิลรฐานคตให้เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานอยู่ก็ให้คลองมรรคผลนิพพ า, านในภารณาใจตายก็ให้ตายด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนไม่มีเยื่อใ ย, ยกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าในโลกสมมตินี้ไม่ว่ายากกลางละเอียดแค่ไหนไม่เสียดายไม่ติดไปด้วย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 เต็มที่เลยครับภายในนี้แต่นี้ที่นี่เท่านั้นสถานที่นั้นที่นี่มันเป็นสมมติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่สมมตุติคือวิมตดจะไปาพาดเพีงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นที่นี่ได้ยังไงถ้มันเห็นกับตัวเองนี่มันถึงหมดปัญหาทําให้มดทําให้เห็นกับตัวเองรู้ตัวเองมันก็เป็นปัญหาวันยังค่ะแบกคำพิมพ์จนท่วมหัวก็แบกมาเถอะมันก็หนัก คำพีวเปล่าเมันไม่เลยมีความสบายภายในใจถอถอนสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือที่เดชอยู่ภายในใจออกแล้วไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่าใจทีหุดพ้นจากสิ่งกดดันทั้งหลายออกมาเป็นอิสระเสียดีนี่เป็นหลักสำคัญเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านวิญาอธิบายเพือ่อนฟับดีกว่า